ก็คือหากว่าได้อาหารสักอย่างหนึ่งเราจะรักษาอุโบสถบําเพ็ญสมณะธรรมพราหม์ก็บอกว่าเขานี่มาหาอาหารเมื่อได้อาหารบริโภคแล้วจะไปรักษาศีลแปดเหมือนกันพระดังที่พระองค์ตรัสว่าเท้าสักกะทราบความดำริของเราก็เลยแปลงเพศเป็นพราหมณ์เสด็จเข้ามายังสํานักของเราเพื่อทรงทดลองทานของเราเราเห็นพราหม์นั้นแล้วก็ยินดีได้กล่าวคํานี้ว่า ท่านมาถึงในสำนักของเราเพราะเหตุแห่งอาหารนี่เป็นการดีแล้ววันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐที่ใครๆไม่เคยให้แก่ท่านอ่นนะเรียกว่าคนที่จะอุทิศชีวิตอุทิศร่างกายให้เป็นอาหารผู้อื่นเนี่ยที่คนอื่นเขาไม่เคยทำงานรอกเวนแต่พระโพธิสัตว์มนาะท่านผู้ประกอบด้วยศีละคุณการเบียดเบียนผู้อื่นไม่สมควรแก่ท่านท่านจงไปนาเอาไม้ต่างๆมาก่อไฟขึ้น เราจะย่างตัวของเราท่านก็จะได้กินเนื้อที่สุกพรามนั้นรับคำแล้วก็มีใจร่าเริงนำเอาไม้ต่างๆมาทำเป็นเชิงตะกรทำเป็นห้องอันเต็มไปด้วยฐานเพลิงก่อไฟโลงขึ้นณนะที่นั้นทันทีเหมือนไฟนั้นเป็นกองใหญ่พญากระต่ายก็เลยสลัดตัวที่มีฝุน่นละอองกลัวจะมีสัตว์ก็สลัดให้ออกไปให้หมดก็เข้าไปอยู่ข้างหนึ่งเมื่อกองไฟไหม น, นะกองไฟกองไม้ที่ไฟติดทั่วแล้วเป็นกองไฟที่มีควันตลบอยู่ในการนั้นเราก็กระโดดลงไปในกลางระหว่างเปลวไฟนนะ้น้ำเย็นอันผู้ใดผู้ผู้หนึ่งดำลงแล้วย่อมระงับความกระวนกระวายและความเร่าร้อนย่อมให้ความยินดีและปีติฉันใดในการเมื่อเรา เข้าไปยังไฟที่ลุกโพลงก็ฉะนั้นเหมือนการความกระวนกระวายทั้งปวงย่อมระงับดังเหมือนกับดำมุด น, น, นะนะดำก็คือมุดลงไปในน้ำเย็นฉะนั้นคำว่าอาทินะปบผังก็คืออันใครใครที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ไม่เคยให้ทานวรังทานอนุดมคือทานอันสูงสุดข้อความเมื่อกี้ที่ศาสาบัณฑิตกล่าวว่าวันนี้เราจะให้แกท่าน ท่านผู้ประกอบด้วยศีละคุณการเบียดเบียนผู้อื่นไม่สมควรแก่ท่านานะว่าต้องการให้นาบุญของเขารักษาศีลนะว่าให้ดีท่านไม่ต้องฆ่าข้าพเจ้ารอกว่าันบัดนี้เพื่อจะเปลื้องพราหมณ์ออกจากการฆ่าสัตว์แล้วทำตนให้สมควรแก่การบริโภคของพราหม์นั้นแล้วก็ให้ไปชีวิตของท่านที่ท่านสละไปเนี่ยนะชีวิตนี่ไม่ใช่ของผู้อื่นใช่ไหมเป็นของท่านได้มาด้วยผลแห่งกรรมของท่านวันท่านจึงยอมสละ สละชีวิตเหล่านี้เพื่อเป็นบุญว่าเราจะย่างตัวของเราเพื่อเพื่อท่านทำห้องอันเต็มไปด้วยฐานเพลิงเราก็จะกระโดดตัวของเราไปให้พรามนั้นก็เอาไมา้ต่างๆมาทำเป็นเชิงตะกรนใหญ่ที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงคือเป็นฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวปราศจากควันภายในเต็มไปด้วยฐานเพลิงลุกอยู่โดยรอบพอที่ร่างกายนี่จะมุดลงไปในฐานเพลิงนั้นได้ เรีกว่าอะไรนะกระต่ายอบไกระต่ายอบถ่า น, นนะระ ส, สลัดตัวว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่าได้ตายเสียเลยก็กระโดดให้ร่างกายทั้งสิ้นเนี่ยเป็นถ่านกระโดดลงไปในถ้มกลางกองเพลิงนั้นซึ่งอยู่ในระหว่างเปลวไฟมีใจเบิกบานดุดพญาหงกระโดดลงในกอปทุมฉชนนั้นคิดว่าดีใจเหมือนกับหงกระโดดลงน้ำอ่ะนะหงเนี่ยหงกับน้ำเป็นของคู่กัน แปลว่าดีใจเหมือนเด็กกระโดดเล่นน้ำอ่ะนะคิดง่ายง่า ย, งายไงวันเด็กกระโดดเล่นน้าด้วยความเพลิดเพลินฉันใดพระโพธิสัตว์ก็สละร่างกายกระโดดลงไปในกองไฟเพื่อให้เป็นทานฉันนั้นในการเมื่อเราเข้าไปในกองฐานเพลิงที่ลุกโผลงนั้นอ่ะนะก็ไม่ได้มีความร้อนอะไรเลยว่างั้นโดยที่แท้มีแต่ความสงบระ ง, งับความกรบวนกระวายความเร่าร้อนทั้งปวงด้วยความอิ่นในทานสรีระ อังคาพยบอวัยวะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขนและหนังเป็นต้นของเราเข้าถึงความเป็นของควรให้ทานความปรารถนาที่เราปรารถนาไว้ได้ถึงความสำเร็จแล้วตั้งความปรารถนาว่าท่านจะให้ทุกอย่างไม่มีไม่มีส่วนเหลือเลยที่พระองค์ตรัสว่าเราได้ให้แล้วซึ่งกายทั้งสิ้นโดยไม่เหลือให้ไม่ว่าจะเป็นขนเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกหัวใจแก่พรามเหล่านั้น เอาแล้วของเราเนี่ยจะให้อะไรพระพุทธเจ้าได้บ้างบวกให้เวลาศึกษาพระธรรมบ้างเถอะนี่ก็ถือว่าเป็นการให้ไม่ต้องให้ทั้งชีวิตอะไรหรอกนีนะไม่ต้องไปฆ่าตัวตายเป็นพุทธบูชาอะไรหรอกพระองค์ไม่สรรเสริญหรอกแต่ว่าแบ่งเวลาให้เวลากับการศึกษาและก็การปฏิบัติธรรมตามคําสอนนี่ก็ชื่อว่าเป็นการให้ที่สูงสุดแล้วนะให้เวลาให้ชีวิตแก่พระพุทธเจ้าบ้างเนี่ยนะก็คือให้สละเวลาสละชีวิตเนี่ยนะบางคนก็ ย, ยุ่งซะจนไม่มีเวลาเลย เชื่อไหมไม่มีเวลาศึกษาพระธรรมแต่มีเวลาป่วยแล้วก็มีเวลาแก่มีเวลาตายเนี่ยนะกร็รกว่าแล้วก็มีเวลาไปอบายด้วยนะถ้าทำชั่วไว้แล้วใช่ไหมมีเวลาไปอยู่อบายกี่กับนิทนอยู่ได้หมดนะแต่ว่าไอเวลาที่จะประพฤติคุณงามความดีเพื่อสุคติโลกสวรรค์ทำไมมันยุ่งจริงๆเลยนะอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนาะสัตว์โลกทั้งหลายถ้าเป็นอย่างนั้นเลยมันทุกข์เลยนะ พามาชอบบทสวดมนต์ธรรมวัฒน์ชามากมีทุกเราทั้งหลายเป็นผู้มีทุกอย่างลงแล้วถูกทุกครอบงำแล้วมีทุกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้วทำชะไหนาการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะเพึงปรากฏชัดแก่เราได้ัน้นถ้าเราไม่ไม่มีปกติสามัญจะสำนึกอย่างนี้ไว้บ่อยๆเป็นปกตินี่เราลําบากนะสิ่งที่เราทําอยู่ดีจริงอาจจะละได้รับคําชมจากหลายๆคน หรือจากบางคนแต่คำชมเหล่านั้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอก ว, ว่ามันเล็กน้อยช่วยให้ท่านพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกเนี่ยนะช่วยให้ท่านพ้นจากวัตรทุกข์ไม่ได้หรอกช่วยให้สงบจากความทุกข์ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคาชมเนี่ยนะคนที่ชมเราทั่วๆไปในหลายๆเรื่องก็เพราะว่าเรายังให้ประโยชน์เขาได้ถ้าเราหมดประโยชน์เมื่อไหร่เขาก็เลิกชมเนี่ยนะไอ้เลิกชมไม่ว่าด่าส่งนี่สิจะหนักสาหัสเลยนะ มันก็เป็นอย่างนี้แหละพันเราก็คงสแสวงหาว่าอะไรคือสาระที่แท้จริงเพราะชีวิตของเราบางอย่างก็เพื่อประโยชน์แก่โลกนี้ก็มาคํานวณดูว่าโลกนี้เพียงพอไหมแล้วโลกต่อต่อไปล่ะและจะอยู่อีกกี่โลกเนี่ยนะไม่รู้ว่าเราทั้งหลายกลุ่มเรียกว่ากลุ่มเพาะพันพ่อขึ้นทุกแห่งเนี่ยนะพ่อในอาบายก็ขึ้นเพราะในมนุษย์ก็งอกพราะในสวรรค์ก็ก็ก็กล่า ก, ก็ไม่หอ่อไม่เหี่ยวเนี่ยนะเพราะได้ทุกที่ ก็ดูว่าเมล็ดของเราเนี่ยจะไปตกอยู่ที่ไหนเคยมีเรียกว่าต้นยางป่าเรียกเป็นต้นต้นไม้ใหญ่นะต้นต้นไม้ยางเนี่ยนะมันจะมีลูกเวลาลมพัดเนี่ยมันจะเหมือนกับกลังหันเลยปั๊บมันจะหมุนไปเป็นกิโลกิโลบางทีหมุนไปเป็นสิบกิโลเนี่ยนะต้นเรียกว่าต้นสายพันุ์ต้นยางมันจะมีลูกลูกมันเป็นตูมๆเนี่ยนะต่อตอบางลูกก็เท่ากับ ก้องมืออีกต้นบางพันก็เล็กๆเนี่ยนะเล็กๆแล้วก็มีใบพัดหมุนไปเป็นเป็นกิโลบางทีก็หมุนไปเป็น1ิบกิโลสุดแท้แต่กำลังลมของเราทั้งหลายกระแสลมคือกำเนี่ยนะหรือกระแสแห่งสังสารวัตจะพัดให้ให้ปฏิสนธิเราเนี่ยงอกที่ไหนเนี่ยนะมันถ้าเรากําหนดทิศทางลมไม่ดีไปงอกที่เรียกว่าไอเมล็ดพันธุ์อันนี้ไปนะงอกในน้ำนะจะว่าไงเนี่ยนะงอกในน้าก็เป็น กลมสัตว์ในน้ำเนี่ยนะกลมสัตว์น้ำถ้างอกบนบกงอกที่แฉนะแล้วไงอกที่ไหนก็แล้วแต่สุดแท้แต่กำลังลมคือกาลังกรรมกลังบุญกำลังบากแรงส่งแห่งบุญบาปนี่เป็นแรงส่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆนยนะมันเราก็ยังไงก็ต้องสละเพื่อความสุขต่อไปในภายภาคหน้าบ้างนะนะชอบคำเลายๆคำที่ผู้หลักผู้ใหญ่สอนเด็กๆว่า อย่าเรียว่าอย่ากินให้หมดมือเดียวเอาไว้กินในมือ้อต่อต่อใบบ้างฉันใดถ้าในสายตาของผู้ใหญ่แบบพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็บอกว่าถ้าทําอะไรก็อย่าคิดถึงแต่ประโยชน์โลกนี้ควรมองประโยชน์โลกหน้ามองเล็โลกหน้าก็ต้องมองหลายๆโลกด้วยนะไม่ใช่แค่มองแค่ชาติหน้าอย่างเดียวมองหลายๆโลกขณะดเดียวกันความพ้นจากโลกนี่แหละมันดีที่สุดนี่ยนะผมก็โอวาทสาั่งสอนไปอย่างนั้นน่ารื่องเรื่องนะ อย่ามองแค่โลกนี้โลกเดียวพอแล้มองหลายๆโลกโรงเรืองก็บอกยังไม่สายนะนี่ยทั้งเรืองนะวันนี้มันต้องเกือบทุ่มเศษแล้วสรุปว่าพระโพธิสัตว์ท่านมอบกายเท่าเรียกว่าสละร่างกายขนหนังเนื้อเอ็นกระดูกสละชีวิตให้แก่พรามนั้นไปแต่สละแบบไม่เหมยไม่มีเหลือเลยพระโพธิสัตว์นั้นก็ไม่ได้ร้อนอะไรแม้แต่คุ้มขนในร่างกายที่กระโดดเข้าไปในกองไฟนั้นได้หรอก เมืออะไรกระโดดเข้าไปเหมือนกับกระโดดเข้าไปในกองหิมะนั่นแหละกล่าวกับเท้าสักะผู้ทรงรูปเป็นพรามอย่างนี้ว่าท่านพรามท่านทําไฟให้เย็นจัดนะท่านทําได้อย่างไรพรามก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพรามดอกข้าพเจ้าเป็นเท้าสักะมาอย่างนี้ก็เพื่อจะทดลองท่านพระโพธิสัตว์ก็บรือสีหนาฏว่าข้าแต่เท้าสักะช่างเถิดหากว่าโลกทั้งสิ้นพึงทดลองข้าพเจ้าด้วยทาน ความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะไม่ให้ข้าพเจ้าคงไม่มีอีกแล้วใครจะให้ทานเกิดขึ้นท่านจะเห็นทานนั้นได้อย่างไรอีกเล่เานะขาบอกว่ายะว่าแต่ท่านเลยใครก็ตามในโลกเนี่ยนะที่ข้าพเจ้าไม่สามารถสละให้ได้ไม่มีหรอกสรุวัสละให้ได้ทั้งหมดแต่ก็ยังคิดต่อไปเอ๊แล้วจะมีใครทำอย่างนี้ได้อีกบ้างานะก็รอพระศีอานนั่นแหละจะทำอีก รอพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปนั่นแหละจึงจะมีผู้ที่สร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละจึงจะทําได้น้อยนักนะที่จะคิดสละตัวแต่ว่าเพระมานี้เกิดมาไอ้ความที่เราเป็นชาวชนบทเห็นปลาถูกเผาเป็นๆเห็นสัตว์ถูกเผาเป็นๆเป็นเรื่องปกติเลยนะโยนสัตว์ลงไปในกองไฟนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรแต่ว่าสัตว์เหล่านั้นกระโดดลงด้วยโทสะ แต่ว่าน้อยนกะสัตว์ที่จะกระโดดลงด้วยเจตนาแบบพระโพธิสัตว์ที่เรียกว่าสละอะไรนะถ้าเป็นปลากระจับปลาโยนลงไปในกองไฟใช่ไหมผมมาก็เคยทำนันเนี่ยพูดแล้วก็ใจไม่ดีเท่าไหร่เอา้าทําบาปไปแล้วอะ่ะเนี่ยเขาบอกว่าต่างจากคนทําบุญนะเวลาคิดถึงนี่มันก็ปลื้มใช่ไหมคนทําบาปนึกเมื่อไหร่ใจก็แปลเนี่ยนะแต่ดีว่ากําลังพูดธรรมะอยู่มันก็แป้ลน้อยๆหน่อยอันนี้เอา้าบุญพระพุทธเจ้ารักษาเอาไว้ ไม่ให้ตกไปในอกุศลว่างั้นก็คือสรุปว่าหมูสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าตายแบบแบบไม่ได้บุญน่นะตายแล้วตกนรกนะยอมกันยอมจริงๆแต่ว่าเป็นการเสียสละเพื่อบุญกุศลคุณงามความดีน้อยเต็มทีที่จะทำได้เนี่ยนะตะทัวในครั้งว่าไอท้ที่ถ้าอยากขอมาจะขอก็ขอให้แบ่งเวลาศึกษาคำสอนบ้างเธออันนี้ก็ถือว่ามากแล้วเนี่ยนะอาวลกีนาทีดี วันละสองร้อนาทีเอ้าไม่ใช่สองนาทีนะมันน้อยไปมั้งเอ้าต้องการสมมติว่าวันหนึ่งโยมอยากได้ค่าแรงเท่าไหร่เออสองบาทอย่างงี้รึเป่าก็ต้องการสูงๆทั้งนั้นแหละใช่ไหมแล้วนาทีในการทําบุญทําไมต้องการน้อยจังล่ะเนี่ยนะก็ต้องการให้มันมากๆน้อยเนี่ยนะ เ้าวสะกะตรัสว่าท่านสา ะ, ะบัณฑิตคุณธรรมของท่านจงปรากฏอยู่ตลอดกับเถิดแล้วก็บีบภูเขาเอายางภูเขาว่าลักษณะของกระต่ายณจันท่จันทมนทนให้พระโพธิสัตว์นอนบนต่งางหญ้าแพรกอ่อนพุ่มในราวป่านั้นแล้วก็กลับเทวโลกเขาบอกว่าพระจันทร์เนี่ยนะถ้าถ่ายภาพในในระดับหนึ่งมันจะเป็นรูปกระต่ายจริงๆเลยที่ ที่ต่างประเทศ<ม>ะนะที่องค์การเกี่ยวกับสหประชาชาติมันเป็นรูปกระต่ายจริงๆเลยนะไม่น่าเชื่อเป็นรูปกระต่ายนั่งจริงๆเลยแหละแต่ว่าต้องอยู่ในตำแหน่งที่ทเหมาะเนี่ยนะหาหาภาพที่เหมาะหน่อยเนี่ยจะเป็นรูปกระต่ายอย่างนั้นจริงๆอันนี้เขาบอกว่าเหตุที่ดวงจันทร์เป็นรูปกระต่ายก็เนื่องจากพระโพธิสัตว์นิสระชีวิตให้เป็นทานท้าวสกตะต้องการให้ตานานอันนี้ยิ่งเรียกว่าอยู่ตลอดกับเนี่ยนะ ทรงอยู่ตลอดกับสรุปว่าบัณฑิตบัณฑิตทั้งสองเหล่านั้นก็สมัรสมานเบิกบานนะบัณฑิตทั้งสองมีใครบ้างก็คือพระโพธิสัตว์กับเท้าสักกะหรืออีกในหนึ่งก็บัณฑิตเหล่านั้นบัณฑิตเหล่านั้นทั้งหมดคือใครก็คือกระตายลิงสุนัข ก, กิ้งจอกและนาคท่านเหล่านั้นก็รักษานิจศีลและอุโบสถศีลก็ไปตามยถากรรม ไปตามอะไรชนะกะกรรมอุปธรรมพระกกรรมอุปปีละกะกรรมและอุปคาตกรรมท่านเหล่านั้นเป็นไปตามทิฏฐธรรมเวชนียกรรมอุปชาเวทนียกรรมและเป็นไปตามอภราปยเวทนียกรรมนั น, นะกรรมเหล่านั้นก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัยสรุปนาคในครั้งนั้นก็คือพระอานนท์ในครั้งนี้โอ้ยนึกถึงเห็นนาคเมื่อไหรก็เห็นสัตว์น้ำนะนะพวกอะไรนะกายกลุ่มแมวน้ําก็นึกถึง พระนนก็เคยเป็นหน้าแบบนี้แหละเห็นสุนัขยิงจอกะนะเห็นลูกหมาก็นึกถึงพระมหาโมกขลานะว่าพระโมกขลานะก็ยังเคยเกิดเป็นสุนัขจิงจอกแล้วเราล่ะเราคิดแล้วเศร้านะเอาลิงลิงเคยเป็นอรภาษาราบุษณเนี่ยนะภาษารีบุต ร, ร, ร er ก็เคยเกิดเป็นลิงเพราะฉะนั้นเวลาไปที่ลพบุรีเห็นเจ้าจ่อเยอะๆเนี่ยนะนึกถึงว่าเออภาษาราบุตรยังเคยเกิดเป็นลิงแล้วเราล่ะ สะัสถะันดิตคือประโลกกันาพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกสามยังเคยเกิดเป็นกระต่ายแล้วเรื่องไม่ใช่ว่าอดีตยาวนานแล้วก็กลับนี้แหละกลับนี่แหละขนาดกลับเดียวกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้ายังได้เกิดเป็นกระต่ายคนมีบุญหนักศักใหญ่ขนาดนั้นยังพลาดตกไปลงเป็นกระต่ายจะกล่าวไปยายถึงพวกเราทั้งหลาย้ยจะพ้นอะไรบ้างนะอะไรบั่งที่เราเพาะไม่ขึ้นเรับ ทำไม่มีโสดาปฏิมักมารองรับแล้วก็แหมอันตรายอันตรายทีนี้ถ้ามีคนถามว่าเออบุญเนี่ยทาไมไม่ปกปักรักษาทำไมพระโพธิจต้องไปเป็นกระต่ายไปเกิดในอบาย น, นะทั้งทั้ง ท, งที่ท่านเป็นคนบุญหนักศักใหญ่สั่งสมบุญมามากมายขนาดนี้ทำไมพลาดไปเป็นกระต่ายได้ทำไมอ่ะถ้าตั้งคำถามแบบนี้ทำไมทำไมทาไมเนาะจึงต้องไปเกิดเป็นอบาบัย คือจริงๆแล้วโดยมากท่านเกิดเป็นมนุษย์และเกิดเป็นเทวดาเนี่ยมากแต่ก็มีครั้งคราวที่พลาดไปตกในอบายเนี่ยนะก็มีแบบถือว่าน้อยมากเหมือนอย่างว่าถ้าตั้งคำถาม่าเศรษฐีที่มีทรัพย์มากๆร่ำรวยเยอะๆเอาเป็นพระราชาก็ได้พระราชาเคยอดอาหารสักมือสองมือเคยบ้างไหมว่างั้นเเคยขาดอาหารนะว่างั้นเถอะขาดอาหารเป็นสักมือสองมือหรือว่าหาอาหารเป็นมือไม่ได้เนี่ยนะ เรียกว่ามัวแต่ปฏิบัติภารกิจทําไปทํามาลืมอาหารเอามาด้วยมีใครเอาอาหารมาด้วยหิวเลยเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ผู้ถามว่าท่านมั่งมีใช่ไหมบอกมีมากอ่ะแล้วทําไมอดอาหารล่ะ mm hmm. ก็ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆประการเนี่ยทําให้ขาดอาหารไปมือ้อสองมือ้อแต่ว่าอาการขาดอาหารมือ้อสองมื้อเหล่านั้นเนี่ยจะเรียกว่าท่านเป็นคนยากใช่ไหม mm hmm. ใช่ไหม เรี ว, ว่าเศรษฐีเนี่ยไปเดินทางไปแล้วอ้าวไม่มีร้านอาหารขายไม่แต่ร้านเดียวอดเลยมือนหนึ่งเลยประนาวมว่าแกคือคนยากคนยากคนจนคนอนาถาคนกัมพระคนเขียนใจใช่ไหมบอกไม่ใช่พระโพธิสัตว์ก็เหมือนการถึงท่านไปเกิดเป็นอบายบ้างแต่ก็ถือว่าเล็กน้อยถือว่าน้อยมากแค่กระต่ายกี่ขวบเองอายุกี่ปีเองเนะกระต่ายอายุไม่ได้นานอะไรเพราะท่านพลาดไปแค่นานๆสักครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเศรษฐีที่อะไรนะ อดข้าให้มือเดียวสองมือเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าหนักหนาอะไรเนี่ยนะสรุปบารมีในสัสบันดิตคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ที่เป็นสัสบันดิตเนี่ยนะเป็นพยากตายมีอะไรบ้างอันหนึ่งพึงประกาศคูณานุภาพอนุภาพที่เป็นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ไว้ในที่นี้เป็นต้นคือเมื่อกุศลธรรมเป็นต้นมีอยู่ พระองค์ก็ยังได้เกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานขณะนั้นเนี่ยนะถึงเป็นเดรัจฉานก็รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลอะไรคือเหตุแห่งความสุขอะไรคือเหตุแห่งความทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมขณะท่านเป็นกระต่ายเป็นเดรัจฉานเป็นอหิบตุกะปฏิสนธิทั้ทงๆ ท, ที่ว่าพื้นฐานไม่พอจะเพียงพอที่จะมีปัญญาแต่ก็ยังมีปัญญา อันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาโดยอุปนิสัยไม่ใช่ปัญญาโดยสหาชาติกะปัญญาปัญญามาตั้งแต่เกิดแต่ปัญญาที่เกิดจากการสังสมมานานนั้นความที่สังสมปัญญามามากจึงทำให้รู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมจึงมีการให้ทานและสมาทานศีล ขณะเดียวกันท่านยังมีปัญญาเห็นโทษมีประมาณน้อยในขอเรื่องของบาปอากุศลว่าอากุศลนั้นเป็นของน่ากลัวควรเว้นอกุศลโดยเด็ดขาดบางคนก็บอกอกุศลเล็กๆน้อยๆจะเป็นไรไปอย่าว่าอกุศลเล็กๆน้อยๆจะเป็นไรไปใช่ไหมเป็นไหมอันนี้ น, นี่แหละให้มันเป็นไปก็บอกว่าอะไรนะนคนสมัยใหม่เนี่ยนะไม่น่าเชื่อหายใจรถกันก็ต า, ายแล้วใช่ไหม หายใจรถกันหน่อยก็ตายแล้วสัมผัสมือสัมผัสอะไรนี่นี่หน่อยหก็ติดเชื้อตายแล้วอย่างเงี้ยนะจริงๆก็เปราะบางมากอ่ะผู้สนเราอย่าไปดูถูกอย่าไปดูหมิน่นว่ามันเล็กน้อยทําให้เราตายไม่ได้มันทําให้ตายได้นะตายจากสุคตินี่สิจะเสียหายตกลงไปในอบายทุคติวินิบนะัตนรกแล้วก็แม้ถ้าไปโผล่ที่นั่นแล้วก็ดีนะพระโพธิสัตว์ท่านทําบุญไว้ยเยอะเนี่ยนะฉุดออกจากอบายไม่ยากนะักแล้วคนบาปมากๆบาปหนาๆเ น, นี่ยนะ ถ้าไปอยู่ที่นั่นไม่ยาวเลยหรือเนี่ยนะยาวเลยแหละเนี่ยนะมันอย่าพลาดตกลงไปเด็ดขาดเนี่ยนะเอาทีนี้ถ้าไม่ เ, เขาบอกว่าถ้าทำบุญไว้น้อยเนี่ยนะถ้าพลาดลงไปก็เดือดร้อนถ้าบุญมากก็ถึงพลาดลงไปก็อยู่ไม่นานสักเท่าไหร่ก็ผลออกมาเนี่ยนะ เป็นพระโพธิสัตว์ใท่านท่านเป็นคนที่แยกแยะ ก, กุศลอกุศลแยกแยะคุณของกุศลแยกแยะโทษของอกุศลได้อย่างชัดเจนขณะเดียวกันพอรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปและท่านทํำยังไงตั้งตนไว้ในกุศลธรรมโดยชอบเท่านั้นตรงนี้สําคัญมากก็คืออัตตสัมมาปณิธิตั้งจิตตั้งตนเอาไว้ให้เป็นไปกับกุศลน้อมว่าจะมีกุศลอะไรที่เราจะ เจริญได้บ้างก็มีการคิดดูนะท่านเป็นกระต่ายท่านวางแผนเจริญกุศลได้แล้วท่านวางแผนในการเจริญกุศลว่าอะไรกุศลตัวไหนที่จะต้องเจริญหนึ่งสองสามสี่แต่เชื่อไหมเท่าที่ของมาฟังดูแล้วคนในโลกเนี่ยนะที่วางแผนในการเจริญกุศลกลับแทบไม่มีนี่ศึกษาคําสอนอยู่นะน้อยยิงโต ว, วางแผนว่าจะเจริญกุศลอะไรบ้างานะทานนี่ควรจะแค่ไหนกุศลจิตที่เป็นทานควรจะกี่ชั่วโมงดี กุศลที่เป็นไปกับศีลกุศลที่ควรไปกับสมถวิปัสนากุศลที่ควรเป็นไปกับพระธรรมนี่ควรจะกี่ชั่วโมงแล้วแต่ละชั่วโมงควรจะมีคุณภาพเท่าไหร่แล้วคุณภาพเหล่านั้นปุพพะเจตนาเป็นต้นแค่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะได้รับการวางแผนตรวจสอบมาเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็วิเศษนะวิเศษะคือเจริญอย่างเดียวนะนะแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็หานะเสื่อมอย่างเดียวว่างั้น เอาอะไรที่ไม่ตั้งใจทําเนี่ยนะมันเจริญเนี่ยดีไหมสิ่งใดก็ตามที่ที่เกิดจากการไม่ตั้งใจเนี่ยนะลองเขียนหนังสือแบบไม่ตั้งใจเขียนดูสิเนี่ยแล้วแต่เขียนเขียนไปด้วยเพิ่มจะดีงไงนะดีไหมถ้าหากว่าอะไรนะอะไรที่เกิดจากบา ง, บางคนชอบให้ทําอะไรโดยที่ไม่ตั้งใจสิ่งใดก็กว่าสิ่งใดถ้าเกิดโดยความไม่ตั้งใจสิ่งนั้นน่าอัศจรรย์ที่จรงิจรงนั่นคือความเห็นที่ผิดพลาดมากเออขับรถไปเองโดยไม่ตั้งใจเนี่ยนะดีใจไหม ไหลไปเองโดยไม่ตั้งใจเนี่ยอะไรก็ตามถ้าเกิดโดยไม่ตั้งใจไหลไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะหรือวันนี้ทาอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องตั้งใจอะไรซากอย่างในถามว่าอะไรจะเป็นความเลวร้ายเท่ากับไม่มีการตั้งใจอีกแล้วเนี่ยนะตั้งใจถูกนะอะไรที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าตั้งใจเพื่อที่จะเจริญกุศลถ้าไม่ตั้งใจนี่เลวร้ายจริงๆแต่ถ้าตั้งใจนี่ก็เป็นคุณงามความดีจริงๆเพราะกุศลทั้งหลายควรตั้งใจทา ควรตั้งใจเลยว่าจะทํากุศลอะไรไว้บ้างทีนี้ในบรรดากุศลทั้งหลายศึกษาในโลกของการเจริญกุศลให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทําได้เมื่อศึกษาเรื่องบุญกุศลอย่างกว้างขวางมากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วมาคํานวณดูว่ากุศลตัวใดที่เราควรจะเจริญควรจะทําควรจะเพิ่มพูนควรจะส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปโดยทั่วๆไปแล้วคนในโลกนี้ทําอะไรก็หวังความ ก้าวหน้าทั้งนั้นแล้วโดยมากเว้นแต่กุศลที่ไม่ค่อยหวังความก้าวหน้าสักเท่าไหร่เนี่ยนะก็สังเกตดูนะอ้เสียใจทำไมวันนี้บุญเกิดน้อยจังเลยร้องให้น้ําตาไหลก็คุณร้องให้เรื่องอะไรมาบอกกุศลจิตเกิดน้อยเสียใจมากพีเเคยเป็นไหมหมายว่าถามมันหน้าสภาใหญ่ไม่น้าเลยเนี่ยนะฉีกหน้าฉีกตาฉีกจมูกกันอยู่แถวเนี่ย สรุปนะว่าจะต้องหมั่นเจริญกุศลเนี่ยนะสมาทานไว้ในกุศลเอาไว้ให้ดีๆถ้าไม่สมาทานในกุศลแล้วเนี่ยก็เป็นชีวิตที่เขามาว่ามันเหมือนอะไรที่มันลอยน้ําได้อะนี่ต่อไปการชี้แจงโทษแก่คนอื่นนะคือท่านมีปัญญาชี้แจงโทษแก่คนอื่นว่าธรรมะที่เป็นบาปเหล่านี้ที่ท่านถือเอาแล้วรูปคลําแล้วอย่างนี้คติหน้าอย่างนี้นะนะตานปฏิบาต คติหน้าเป็นอย่างนี้พบหน้าเป็นอย่างนี้อธทินนาทานคติชาติหน้าเป็นอย่างนั้นพบต่อต่อไปเป็นอย่างนั้นอานากามีสุมิชฌา์พบหน้าต่อไปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านชี้แจงให้ฟังอะไรทั้งหมดขณะเดียวกันเมื่อเล่าให้ฟังอย่างตลอดสายแล้วก็ชักชวนให้เว้นจากโทษเหล่านั้นเพราะความเสียหายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ต่อไปท่านก็ชี้แจงอ น, นิสงค์ของการทำบุญโดยในเป็นต้นว่าผลของบุญมีอะไรบ้างความถึงพร้อมในเทวดาเรียกว่าสมบัติของเทวดาสมบัติของมนุษย์สมบัติของเทวดาหรือมนุษย์เนี่ยนะก็เกิดจากอะไรเกิดจากอยู่ในมือของผู้ตั้งอยู่ในศีลอุโบสถเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเขาไม่อาศัยทานไม่อาศัยศีลจะเป็นจะได้มนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติได้อย่างไร คิดดูนะถ้าเขาศีลไม่ดีเนี่ยนะจะทำให้เกิดเป็นมนุษย์อายุยืนไหมถ้าเขาศีลมาไม่ดีถ้าเขาไม่ได้ให้ทานรักษาศีลมาเป็นอย่างดีเขาจะเป็นมนุษย์มีอายุยืนสุขภาพดีประกอบด้วยสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดเพียบพร้อมไปด้วยโภกสมบัติบริวารสมบัติเป็นต้นไหมบอกเป็นไปไม่ได้แต่เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้เป็น ผลแห่งบุญที่สั่งสมมาดีทีนี้ถ้าไม่มองว่าบุญคือสาเหตุบุญที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดถึงพร้อมด้วยมนุษสมบัติเหล่านี้ก็ไปถือเอาว่าหลายคนถื อ, อว่าการทุศีนี่แหละเป็นเหตุให้เขาเนี่ยมีความสุขที่เป็นมนุษสมบัติเพราะเขาปล้นเขากงเ ข, ข้าฆ่ามามานะเขาจึงเพียบพร้อมนั่นคือเขาเข้าใจผิดไปเนี่ยนะ เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทํานี่คือเหตุแห่งความทุกข์บางทีเนี่ยนะสิ่งที่เขาทําโดยที่ทําด้วยเปื้อนบาปเปื้อนอกุศลมันเป็นประโยคะบางอย่างที่ไปดึงเอาบุญของเขาในอนาคตมาใช้ก่อนเรียกว่าไปดึงเอาผลบุญที่พึงมีพึงได้ในอนาคตรีบมาใช้ก่อนดูจะเท่ดูจะโก้แต่ก็ทําหมดบุญเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหนหนอนะหมดบุญเหล่านั้นจะไปตกอยู่ณนะแห่งหนตําบลใดเนี่ยนะ ทีนี้พูดถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยนะในชาติเป็นศาสตร์บัณฑิตท่านไม่คำนึงถึงร่างกายและชีวิตของตนใจของท่านน้อมไปเพื่อจะอนุเคราะห์ผู้อื่นขณะเดียวกันก็ยังมีอัธยาศัยในทานอย่างกว้างขวางให้หมดเลยว่างั้นน่ะท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้น่าอัศจรรย์ทั้งไม่เคยมีมาเรียกว่าเป็นอัจฉริยะอภูตธรรมเนี่ยนะ พระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าเป็นบุคคลที่เรียกว่าหน้าอัศจรรย์อัจฉริยะเนี่ยคืออัศจรรย์เป็นเป็นสัตว์อัศจรรย์แล้วก็อัภูตะไม่เคยมีมาแล้วมามีขึ้นแม้เพียงใจให้เลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พ้นจากทุกข์ได้ถ้าใจิตใจเลื่อมใสมีใจของเรามีท่านเป็นอารมณ์นะก็พ้นอบายได้จะพูดจะป่วยกล่าวไปลาย ถึงการทำตามท่านเหล่านั้นหรือปฏิบัติตามโอวาทคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนสมควรแก่การเป็นพระโสดาบันเป็นต้นจะดับทุกทั้งปวงในวัตตะได้ต่อไปในอนาคต